สหธรรมิกวัคที่8สศีขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบทมกล่าวอย่างนี้ว่าแน่เธอฉันจักยังไม่ศึกษาในศิขาบทนี้กว่าจะได้ถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินนยเป็นปะจิตติอันภิกษุศึกษาอยู่ควรรู้ถึงควรสอบถามควรตรีตรอง นี้เป็นสามีจีกรรมในเรื่องนี้พระบัญญัติและผู้ว่ากล่าวเป็นอุปสัมบันิประกอบกันเป็นวัตถุแห่งปาจิตีทำอันมิใช่พระบัญญัติก็ดีอนุปสัมบันิก็ดีเป็นวัตถุแห่งทุกกฎสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดเมื่อมีใครสวดปฏิโมกอยู่กล่าวอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้ ที่สวดขึ้นแล้วช่างเป็นไปเพื่อความรําคาญเพื่อความลําบากเพื่อความยุ่งยิ่งนี่ไกรเป็นปาจิตติเพราะก่นสิขาบทไม่ปรารถนาจะก่นพูดตามเหตุที่ปรารบถึงไม่เป็นอบัติสิขาบทที่สมว่าอนหนึ่งภิกษุใดเมื่อปฏิโมกสวดอยู่ทุกกึ่งเดือนกล่าวอย่างนี้ว่า ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าอาทำแม้นี้ก็มาแล้วในสูตรเนื่องแล้วในสูตรมาสู่อุเทศคือการสวดทุ ก, กึ่งเดือนถ้าภิกษุทั้งหลายอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่าภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อปัิโมกกำลังสวดอยู่ 2-3 ถึงครามาแล้วกล่าวอะไรอีกความพ้นด้วยอาการที่ไม่รู้หามีแก่ภิกษุนั้นไหม พึงปรับเธอตามธรรมด้วยอาบัตที่ต้องในเรื่องนั้นและพึงยกความหลงขึ้นแก่เธอเพิ่มอีกว่าแน่เธอไม่ใช่ลาบของเธอเธอได้ไม่ดีแล้วด้วยเหตุว่าเมื่อปาติโมกำลังสวดอยู่เธอหาทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดีไหมนี้เป็นปาจิตตีในความเป็นผู้แซงทำหลงนั้นอธิบายความแห่งสิขาบทนี้ว่า วิกสุใดเคยฟังปาติโมกอันสวดอยู่ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนอย่างน้อย2ถึงสคราวมาแล้วเมื่อสวดถึงสิขาบทที่ตนล่วงปรารถนาจะแก้ตัวแกล้งไขสือว่าเพิ่งได้ยินในบัดนี้เองว่าทาเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นข้อห้ามมาในปาติโมกซึ่งเรียกว่าสูตรในที่นี้เพราะเป็นหลักสิขาบท เธอคงต้องอาบัติตามวัตถุที่ทําส่วนหนึ่งแล้วไม่พ้นได้ด้วยอํานาจทำไขสือส่วนเพราะทําไขสือนั้นให้ภิกษุผู้รู้เท่าสวดประกาศข้อความนั้นยกโทษเธอเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่สวดประกาศแล้วไปยังคืนทําไขสืออยู่อย่างนั้นอีกต้องปาจิตติเพราะสิขาบทนี้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งกิริยาที่สวดประกาศยกโทษว่า แซงทำหลงดังนี้เรียกโมหาโรปนกรรมยังไม่เคยฟังปาติโมกพิสดาลเลยก็ดีหรือเคยฟังพิสดานแต่ยังไม่ถึงสองถึงสคราวก็ดีหรือไม่ปรารถนาจะแซงทำหลงไม่ใช่ผู้ที่สงจะลงโมหาโรปนกกรรมตามอธิบายนี้พึงรู้ว่าพวกภิกษุในครั้งนั้นฟังปาติโมเข้าใจกันในทุกวันนี้ จะถือเอาอย่างนั้นไม่ได้สิกขาบทที่4ว่าอันหนึ่งภิกษุใดโกรธน้อยใจให้ประหารแก่ภิกษุเป็นปาจิตติสิกขาบทที่5ว่าอนหนึ่งภิกษุใดโกรธน้อยใจเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุเป็นปาจิตติการให้ประหาร น, นั้นให้ด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกาย หรือด้วยของที่โยนไปจัดว่าให้ประหารทั้งนั้นทำแก่ภิกษุต้องปาจิตตีเพราะสิกขาบทที่สไม่ใช่แต่ให้ประหารเพียงเงื้อมือทำท่าดังจะให้ประหารเท่านั้นก็ต้องปาจิตตีเหมือนกันด้วยสิกขาบทที่หในอัตถกถากล่าวว่าปราถนาจะทำให้เสียโฉมเชื่อตัดหูหรือจมูกแห่งอุปสมบัน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 กลับร้ายกว่าถูกตีเสียอีกจะปรับโทษที่เบากว่าอย่างไรได้อีกข้อหนึ่งภิกษุโกรธหมายเพียงจะทำท่าขู่พอให้ตกใจไม่ได้คิดจะประหารจริงครั้นเงื้อมือขึ้นแล้วพลังให้ประหารลงไปแก่ภิกษุแม้อวัยวะมีมือเป็นต้นแตกหักไปพระอธกษาจาร์กล่าวว่าเป็นทุกกฎอย่างเดียว เพราะไม่ปรารถนาจะประหารคำนี้ก็กล่าวไว้เพราะขาดวิจารเหมือนกันเพราะมุ่งแต่เพียงว่าผิดเจตนาแต่เพียงเงืดเงื้อขึ้นเท่านั้นก็สมเจตนาแล้วปรับปาจิตีได้ด้วยสิกขาบทที่5เมื่อพิจารณาถึงอาการที่ทำเพียงโกรธและให้ประหารแก่อุปสัมบันก็ปรับเป็นปาจิตีด้วยสิกขาบทที่4ได้แล้ว ไม่น่าจะถามด้วยว่าควรจะปรับด้วยสิขาบทไหนเพราะอาการที่ทำถึงที่สุดนั้นเป็นประหารอนุปสัสมบันเป็นวัตถุแห่งทุกกฎในอัตถถากล่าวว่าสงเคราะห์สัตว์ดิรัจฉานเข้าด้วยข้อนี้ใช้ได้เราแสดงความดุร้ายแก่สัตว์ดิรัจฉานมีสุนัขและแมวเป็นต้นยอมเป็นการละสองวร อาบัตในสิกขาบทที่4น่าจะเห็นว่าเป็นสานติกะคือใช้ผู้อื่นให้ตีเขาก็ต้องอาบัตเหมือนกันในอัถกถาท่านเปรียบด้วยปฐมประชิกอย่างไรอยู่เชรอยจะเพ่งว่าในสิกขาบทกล่าวเฉพาะทาเองส่วนในอธินาทานสิกขาบทก็กล่าวเฉพาะทาเองเหมือนกันเหตุไฉนอาบัตจึงเป็นสานติกะ พราะสำเร็จเป็นจรกรรมได้เท่ากันในสิกขาบทนี้ใช้ผู้อื่นทำก็สำเร็จเป็นให้ประหารเหมือนกันจึงเห็นควรเทียบด้วยอธินนาทานสิกขาบทส่วนอาบัตในสิกขาบทที่5นั้นเพ่งกิริยาที่เป็นไปโดยปกติจะเป็นอนานติกะได้อยู่เพราะการเงื้อเงื้อมือไปด้วยกำลังโกรธมีปกติจะต้องทำเอง อันผู้หนึ่งสั่งคนที่สองให้ไปทำท่าดังจะให้ประหารแก่คนที่สามแต่ํำชับว่าอย่าทำลงไปจริงนะเป็นแต่จะทำขู่ให้ตกใจหากจะมีได้บางคราวก็ยังต้องพิจารณาถึงความโกรธอีกคนกำลังโกรธอยู่จะมีความคิดสั่งได้เช่นนั้นหรืออันหนึ่งในอัิกถาท่านกล่าวสมุทฐานแห่งสิกขาบทที่4 เทียบด้วยประถมประราชิกแปลว่าจัดอาบัตในสิกขาบทที่สเป็นสจิตกะแย้งกับวิพังเองที่แกเป็นติกาปาจิตเในสิกขาบทที่สองไม่มีอะไรบ่งว่าเป็นสจิตกะเลยในคัมภีร์วิพังแก้ไว้ว่าถูกคนอื่นเข้ามาเบียดเบียนปรารถนาจะพ้นให้ประหารก็ดีเงื้อเงื้อมือก็ดี ไม่เป็นอาบัติกิริยานี้เรียกในบทนี้ว่าต่อสู้เพื่อจะป้องกันตัวคํานี้กล่าวชอบอยู่ถูกทางที่ควรจะเป็นถ้าจะอ้างหลักก็เพราะความโกรธและน้อยใจไม่ปรากฏในขณะนั้นไม่ต้องด้วยลักษณะให้ประหารในสิกขาบทการให้ประหารในสิกขาบทเพื่อให้สมแ้นการให้ประหารที่กล่าวถึงนี้ เพื่อจะป้องกันตัวสิกขาบทที่6ว่าอ น, นึ่งภิกษุใดกำจัดคือโจดภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศษหาหมู่มิได้เป็นปะจิตติการโจ์ด้วยอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลนี้อนุโลมตามโจ์อาบัตปาราชิกน่าจะปรับด้วยอาบัตทุรจัยแต่เพราะมีสิกขาบทนี้จึงต้องปรับด้วยปาจิตติ ในคำพีวิพังกล่าวว่าโจ์อุปสัมบันด้วยเสียอาจาระอย่างอื่นไม่ถึงองาบัตรสังฆนิเศษต้องทุกกดไม่ทันพิจารณาก็น่าจะเห็นความเป็นเช่นนั้นเพราะลดจากปัจจิตีก็ต้องเป็นทุกกฏครั้งพิจารณาละเอียดลงไปการโจ์เช่นนี้เป็นมุสาวาตอยู่ในตัวพูดมุสาพร่อยๆไม่ได้ให้ร้ายแก่ผู้หนึ่ง ยังต้องปะจิตติพูดมุสาใส่ความเขากลับต้องอาบัตเบาลงมากกว่าดูอย่างไรอยู่มติของข้าพเจ้าว่าเพราะมีสิขาบทอื่นปรับโทษแรงกว่าอยู่แล้วแจกแบ่งโทษ ด, ดังนั้นไม่ได้ต้องปรับด้วยปะจิตติในมุสาว่าสิกขาบทเช่นเดียวกับมีสิขาบทนี้อยู่แจกแบ่งโทษจากอาบัตสังคาธิเศต เพราะโจ์ด้วยปาราชิกไม่มีมูลมาลงถุลใจไม่ได้ฉะนั้นสีขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดแกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุด้วยหมายว่าด้วยเช่นนี้ความไม่ผาสุจากจะมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่งทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตตี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 เข้าไปพูดให้ฟังท่านปรับด้วยอาบัติปาจิตตีในสิกขาบทนี้ไม่ได้แกล้งเจา ก, ก่อความรำคาญพูดแนะนำตามเหตุเช่นอุปสมบทเมื่ออายุพอวุฒิแนะให้ทำเสียให้มั่นเป็นต้นไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดเมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกันเกิดทะเลาะ ก, กันถึงการวิวาทกัน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 พระสัสดาทรงเล็งเห็นเหตุนี้แล้วจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เพื่อป้องกันไว้แม้ไม่ได้มุ่งใจฟังพระเอิญเดินผ่านไปโดยทางที่เขานั่งพูดอยู่และรู้ว่าเป็นความงุบงิบเขาปิดตนท่านสอนให้แสดงอาการเป็นต้นว่ากรแอมหรือไอเพื่อเขาจะได้รู้ว่าตนผ่านไปทางนั้นคาที่ว่าทาอย่างนั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่นั้นให้สันนิษฐานว่าแอฟังอันไม่มีโทษไม่ส่งห้ามตัวอย่างภิกษุสนทนากันด้วยธรรมวินยัยหรือวินิจฉัยอธิกรณ์ตนไม่ใช่ผู้จะเข้าชุมนุมในที่นั้นด้วยนั่งฟังอยู่ในเอกเทศหนึ่งเช่นนี้ไม่เป็นอาบัติมีธุระจะจับภิกษุประพฤติอาชาจารย์แอฟังเธอนั่งพูดกับหญิงสองต่อสอง ไม่เป็นนาบัตรเหมือนกันสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นทำแล้วถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลังเป็นปะจิตติมีอธิบายว่าการอันสง์จะพึงทำนั้นต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงภิกษุผู้อยู่ในเขตชุมนุมหรือเรียกว่าสีมามีสิทธิที่จะเข้าในที่ประชุมสง หรือในอันจะให้ฉันทะคือความยอมให้ทํากิจนั้นถ้าสง์เว้นภิกษุบางรูปเสียไม่เชิญเข้าชุมนุมหรือไม่ขอฉันทะของเธอไปทํากิจนั้นดังนี้ชื่อว่าทํากรรมเป็นพวกกรรมนั้นใช้ไม่ได้ในสิกขาบทนี้กล่าวถึงภิกษุให้ฉันทะอย่างนั้นเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้วภายหลังรู้ว่าสงทําไม่ถูกใจตน และบ่นว่าถ้ากรรมนั้นสงทาเป็นธรรมแล้วต้องปาจิตตีท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกะแต่ไม่มีอะไรบ่งให้รู้ข้อความนี้ถ้ากรรมที่สงทานั้นไม่ถูกทําบ่นว่าไม่เป็นอาบัตสิขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดเมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงไม่ให้ฉันทะแล้ว ลุกจากอาสนะลีกไปเสียเป็นปะจิตตีอธิบายต่อจากสิขาบทก่อนว่าภิกษุผู้เข้าไปชุมนุมสงฆ์แล้วเมื่อสงฆ์ยังทำกิจค้างอยู่ปราถนาจะให้เสียกรรมไม่ให้ฉันทา ก, ก่อนลุกไปเสียเฉยๆพอละจากหัตถบาตต้องปะจิตตีท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกะเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรบ่ง อย่างเดียวกันเห็นสงฆ์ทํากรรมไม่เป็นธรรมก็ดีเห็นว่าเกิดวิวาทกันขึ้นก็ดีหลีกไปเสียไม่เป็นอาบัตไม่ได้ตั้งใจจะทํากรรมให้เสียปวดอุจจาระปัสสาวะไม่ทันจะให้ฉันทะหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีกหรือไม่สบายขึ้นจะนั่งต่อไปไม่ได้ก็ดีมีธุระอันจะพึงทํากแก่ภิกษุไข่เช่น ถึงเวลาให้ฉันยาให้ฉันทะแล้วหลีกไปก็ดีไม่เป็นอาบัตเหมือนกันสิกขาบทที่11ว่าอันหนึ่งภิกษุใดพร้อมใจด้วยสงผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรแก่ภิกษุแล้วภายหลังถึงทมคือบนว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาบของสง์ไปตามใจชอบเป็นปะจิตตมีอธิบายว่าเมื่อลาบเกิดขึ้นแกสง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 สงอพโลกกันยกให้แก่ภิกษุที่ทํากิจสง์เป็นต้นว่าผู้จัดเสนาสะนะและผู้แจกของในสิกขาบทนี้กล่าวถึงสงให้จีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ในสิกขาบทกล่าวจีวรท่านจึงแก้ว่าให้บริการอื่นแล้วบทว่าต้องทุกกดความแห่งสิกขาบท น่าจะตกบทสัมปทานาการกคือภิกษุผู้รับให้ในคัมภี์วิพังท่านแก้ว่าภิกษุผู้ได้รับสมมติเป็นวัตถุแห่งปจิตตีภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุติและอนุปสัสมบัติเป็นวัตถุแห่งทุกกฎบางทีบทนั้นจะตกทีหลังตั้งแต่รจนาคัมภีร์วิพังแล้วมาสิกขาบทที่12ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ น้อมลาบที่เขาน้อมไปจะถวายสงมาเพื่อบุคคลเป็นปรจจิตีอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทว่าด้วยน้อมลาบมาเพื่อตนในที่สุดแห่งปัตตวัค